ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาเป็นบางครั้งบางกล่าวภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพยาบาลคนไข้